น, นี้ก็เรียกว่าอาศรมวิทยธรรมเนาะะในส่วนข้างหน้านะเขาเรียกเป็นไรเฮ้าในเฮ้าก็คือปรนะภาคารเป็นส่วนที่อยู่ของบ้านของอาจารย์กำพลแล้วก็ทางของคุณเอแล้วก็าายาติธรรมนะจากชุมนมเพื่อนคุณธรรมนะเดิมทีทางคุณเอแล้วก็อาจารย์กำพลก็คง ตั้งใจซื้อที่ตรงนี้ไว้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบ้านนะหลังที่สองนะบ้านหลังแรกก็อยู่ที่กรุงเทพนะที่ชมรมที่อรุณสามสิบเก้านะตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นบ้านที่อยากจะอยู่ทาวนมากขึ้นเพราะว่าอาจารย์ก็ปพลเองพอสอนธรรมะหลายปีเนาะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงมากขึ้นกนะ็เหมือนคล้ายๆจะวางมือ บางใหม่ในการสอนนะก็ประมาณว่าถ้าใครนะสนใจก็ให้มาพูดคุยกันที่ที่บ้านนะแต่เวลาพูดคุยกันที่บ้านที่ชมรมก็เหมือนก็แค่มาพูดคุยธรรมดาแต่ไม่มีสถานที่ให้ให้คนหลายคนที่แบบสนใจภาวนาอยู่กับอยู่กับท่านต่อเนื่องด้วยนะก็เลย ขยับขยายพื้นที่นะนะตอนแรกก็ใส่บ้านที่ตรงใกล้เขาใหญ่นะแต่ก็มันเหมือนเป็นบ้านจัดสรรเนานะก็มีพื้นที่ไม่มากนักก็เลยมาสร้างบ้านอยู่ที่ตรงไรเฮ้าตรงนี้นะแต่มาสร้างบ้านแล้วมันก็เหมือนก็ยัง ข, ดขาดๆนะบางทีนักปฏิบัติธรรมก็อยากจะได้มีสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมที่มากขึ้นนะรองรับคนได้มากขึ้นนะ ก็เลยเกิดเป็นความนําริที่อยากจะสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะก็โซนข้างหน้านะเป็นไรเฮาประมาณ3ามสิบไร่ส่วนข้างสนข้างหลังนะเป็นอาสมวิทยธรรมประมาณยี่สิบไร่แต่ก็จะมีส่วนที่ไม่ได้นับรไร่ก็คือเป็นเขาที่ติดน้านหลังตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะ ก็แบ่งเป็นสองโซนนะประมาณส่วนข้างหน้าให้คารวาสอยู่ส่วนข้างดังให้ให้เป็นพระเป็นทีเป็นญาติธรรมที่สนใจปฏิบัติธรรมนะต่อเนื่องได้อยู่กันนะเพราะคำว่าอาสมก็คือที่อยู่ที่อาศัยของนักพจน์ของผู้ประพฤติธรรมนะนะนะีคือที่อยู่อาสมวิทยธรรมนะคือการอาศรมที่อนะ เน้นนะการทำความเพียรกันศนะาลาตรงนี้ก็มียติธรรมที่สร้างไว้ให้นะอาจารย์กัะพลก็ตั้งชื่อว่าศาลาจงเร่งเพียรนะดังนั้นที่นี่เองนะเน้นที่การทำความเพียรนะทำความเพียรในการเผากิเลสนะกิเลสนะภายในนะที่มันเกิดขึ้นในใจนะเราจะเผามันใ ห, ให้สิ้นไปด้วยสติ ปัญญานนี่คือเป็นที่มาซึ่งก็เกิดจากความนําหิีของของทางอาจารย์กํมพลแล้วก็ทางชมรมเพื่อนคุณธรรมเนาะแต่มันจะสําเร็จไม่ได้เสียทีเดียวถ้ามันเป็นเพียงแค่ส่วนของคารวาสก็เลยได้คณะส่งจากทางวัดวดาดตสุกโตวัดภูเขอทองเป็นหลักมาช่วยมาช่วยนยในการทํางานแล้วก็ ในการสอนธรรมะที่ตรงนี้นะก็เพิ่งเพิ่งสร้างไม่ถึงปีนะประมาณเดือนเดือนหน้านนะของปีปีที่ผ่านมาก็เ พ, พิ่งพอได้ใช้งานศาลาตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จดีเพิ่งจัดอบรมเป็นครั้งแรกเนะมื่อเดือนส1มสิบเอ็ดพฤษภ า, า <S <S ประมาณนั้นนะจัดอบรมครั้งแรกนะคล้ายๆเปิดศาลานะ สาระก็เพิ่งแบบปูพื้นเสร็จนะยังไม่ทาสีได้วยซ้ำ <c oughs> ก็แบบเร่งด่วนนะถ้าเราไม่เร่งช่างเขาก็ไม่เร่งนะเราก็ได้เร่งช่างนะให้เขารีบเร่งทํางานนะก็อาศัยตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ได้มามีคอร์สบ้างนะเป็นคอร์สคนส่วนใหญ่เป็นคอร์สคนจีนครับมีคนจีนมาอบรมสักสามสองสารอบแล้วแล้วก็ คนไทยก็มาร่วมแจมนะหรือบางทีญาติธรรมบางคนก็มาปฏิบัติเองได้นะที่นี่คล้ายว่ามีพระอยู่รูปสองรูปโยมก็มาได้ก็พอมีที่พักบ้างนะหรือบางช่วงช่วงหน้าหนาวนะครับไม่มีพระอยู่เลยโยมก็มาอยู่เป็นเจ้าอา่าแทนก็มีก็มาอยู่ได้นะไม่เป็นไรนะก็ที่ตรงนี้ก็เน้นว่าอยู่แบบ สบายๆนะเป็นกันเองเรื่องกฎเรื่องระเบียบกไ็ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้รวมกันธรรมัดเช้าธรรมัดเย็นนะธรรมวัดเช้าที่สครึตอนเย็นก็หกโมงเย็นนะตอนเช้า้าก็ไปบินทบาทนะกันพอพอได้อาหารมามาเสริมเพราะว่าก็ชาวบ้านในหมู่บ้านแถบนี้ก็จำนวนไม่เยอะครับเนะี่นวนไม่เยอะนะหมู่บ้านก็ เล็กๆนะเราก็ไปบินธบาดเป็นกิจของสงฆ์นะเป็นสิ่งที่ให้ญาติโยมเขาได้ได้เห็นด้วยว่าตรงนี้ก็มีมีวัดอยู่นะมีพระอยู่นะนะประมาณนั้น <c oughs> ก็จะได้แบบเป็นเชิงกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชนนิดนึงกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชนก็มีเพียงแค่นั้นะแหละนะไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นแค่แค่บินธบัตนะนะก็เรียกว่าอยู่กันแบบ สบายๆ น, นะตอนกลางวันก็เน้นปฏิบัติกันที่ที่ศาลาตรงนี้หรือว่าที่ตามทางเดินจงกลมก็จะมีทางเดินจงกลมรอบๆศาลาประมาณยี่สิบกว่าเส้นนะก็ปีเทแล้วก็พระแล้วก็โยมก็ช่วยกันทำนะรองรับนักปฏิบัติธรรมก็บรรยากาศก็ก็ดีนะครับในตอนเช้าในตอนเย็นตอนค่ำนะ ในทางจงกรมก็ไม่ร้อนเกินไปก็น่าจะไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนผ่อนคลายอิริยาบถเนาะนั่งนานๆนะก็ไปเดินบ้าง พ, พระพุทธเจ้าก็บอกให้อิริยาบถเสมอกันเนาะเสมอกันยืนเดินนั่งนอนนะรวมทั้งอิริยาบถย่อยนะก็ให้มีสตินะรู้สึกตัว ทุกอิยาบทนั่นแหละหลวงพ่อเทียนก็เน้นว่าทุกการเคลื่อนไหวนะให้จิตใจของเรามันรับรู้นะหรือทุกขณะที่จิตมันไหวไปก็ให้มีสติคอยรับรู้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการการไหวของกายก็ดีหรือว่าการไหวของใจก็ดีนะมันคือมันคือกรรมฐานทั้งนั้นนะที่เราจะได้ฝึกนะคาว่าอิยาบทเสมอกันไม่ใช่เสมอว่าจะต้อง นะเดินเท่าไรกี่ชั่วโมงนั่งเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนะปฏิบัติในรูปแบบกี่ชั่วโมงคําว่าเสมอคือเสมอด้วยสตินะไม่ว่าจะเป็นอรียบทยายเนอะยืนเดินนั่งนอนหรืออีโบทย่อยนะคู้เหยียดเคลื่อนไหวกินดื่มขับทายนะอันนี้คืออียบทย่อยเสมอด้วยการมีสติเนี่ยคือเราจะทําอย่างไรให้ สตินะีมั น, นระลึกรู้นะีทุกอิเดียบ ท, ที่เราทำนะหรือว่าทุกความเคลื่อนไหวเวลาใจมันเผลอไปคิดหรือใจมันสเสบยอารมณ์นะมีเวทนาเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความสงสัยเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจนะนัะ้นเราก็รู้ทันเนาะนะเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมนะ ทางใจนะมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ห้ามนะแต่เพีเยงแต่ว่าเราไม่ตามมันเราจะมีสติที่คอยรู้ทันการมีสติรู้ทันเนะี่ยมันเหมือนเป็นมันเป็นการทำความเพียร น, นะเป็นการเผาคีเรศนะถ้าเราแค่รู้ทันเฉยๆเนาะสติมันก็มันก็ดับไปได้ของมันเองนะหรือบางทีเราไม่รู้ทันนะทางด้านของ ร่างกายนะแล้วก็รู้ทันเออเอาไม่รู้ทันจิตใจเราก็รู้ทันร่างกายของเราก็ได้นะเรารู้ส่วนไหนก็ได้นะ่ะในส่วนของกายในส่วนของใจมีมีตัวอย่างตัวหนึ่งมีเด็กนะมีเด็กคนนึงอายุประมาณแปดขวบนะมีอยู่วันหนึ่งเขาเพราะนั้นเขาไปค่ายบวชเนนของวัดปาาสุกะโตนะ่ะ ไปบวชเนรแล้วก็คนนี้เดนทั้งหลายก็ไม่มีปัจจัยนะไม่ได้ถือปัจจัยวันนั้นไปออกค่ายที่ข้างนอกมีรถไอ้มีรถไอติมนะมาขายไอติมเนะด็กเด็กเนเนีเนย่ยก็มองตาเราห้อยไม่มีเงินแต่มีเด็กคนหนึ่งที่เขามาเหมือนคล้ายๆมาอยู่ด้วยนะเขาก็มีเงินอยู่บ้างพ่อแม่ให้ไว้เนะขาก็กำแบงก์ยี่ิบไว้ในมือนะแล้วก็ ตานนั้นเขาก็นั่งอยู่ตรงข้ามผมตรงข้ามวัตมานะประมาณแล้วก็พูดว่าเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะไปหนะมายความว่าจะให้เนรไปจากที่อื่นเสียนะตอนนั้นเนรกำลังจะเดินป่านะเขาก็พูดเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะไปนะอยากจะกินไอสตรีมแล้วอ่นะนประมาณนะ่ะนก็มาก็ถามอยากมากเลยเหรออยากมากครับเนะี่ก็ถามว่า แล้วความอยากเป็นแบบไหนนะเด็ยเขาบอกอยากก็มันฟุ้งซ่านนะกระบวนกระวายนะจิตใจมันฟุ้งซ่านจิตใจมันกระบวนกระวายนะอืมอ่าแล้วกลายเป็นแบบไหนเด็กเ็บอกว่ามันเหมือนรู้สึกมันอึดอัดมันแน่นนะเหมือนมีคนเอาเชือกมาพันรัดทั้งตัวเลยมันว่าอืมร่ะออเดี๋ยวลองดูก่อนดีนะนะนะนะนะ ในาลองดูลมหายใจดูสิผมและต่มาก็เลยบอกอนาลองดูสิทำตามหลวงพ่อนะนหายใจเข้าสิหายใจออกหายใจเขา้าหายใจออกพอทำสามรอบพอทำสามรอบเสร็จนะเป็นยังไงบ้างอ่ะ เน่ก็บอกเหมือนมีคนเอาเชือกมาเอามเอมีเหมือนมีคนเอามีดมาตัดเชือกเลยมันไม่แน่นเหมือนเดิมละมันไม่อืดอัดเหมือนเดิมนะ อ, มอันนี้คืออะไรคืออันในส่งในการกลับมาดูตัวเองเนาะนะกลับมาดูกายนะเป็นการเคลื่อนไหวแต่นั้นใสยว่าเอาง่ายๆนะก็คือ ให้เขากลับมาดูลมหายใจนะพอเขากลับมาดูลมหายใจแค่สองสามรอบนะความรู้สกความรู้สึกที่อึดอัดที่แน่นนะไม่สบายมันก็มันก็ถูกตัดไปนะตัดไปด้วยอะไรตัดด้วยมีดนะแห่งสตินะที่ตัดเชือกของความนะความทุกนะความอึดอัดความแน่นเนะี่ยก็คือความทุกความกระวนกระวายจิตใจนะ ความฟุ้งซ่านในจิตใจก็คือความทุกข์นะก็คือสติมันตัดความทุกข์นั่นแหละนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนาะเวลากิเลสมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ทุกข์แต่ใจบางทีก็ทุกข์กายด้วยใช่ไหมเวลาโกรธมันก็แน่นหายใจไม่อิ่มนะอึดอัดเวลาอยากก็เหมือนกันกระวนกระวายฟุ้งซ่านนะจิตส่งออกนอกนะเวลาโงงก็ ทุ้งใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะที่จริงก็คือว่ามันทำให้ใจของเราเสียจากความเป็นปกติคำว่าปกติของใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจมันก็คือมันทาให้ใจเสียจากความเป็นปกติใจที่เคยเป็นปกติใจที่ไม่ทุกนะมันเสียไปนะ เสียเป็นใจที่ทุกเสียเป็นใจที่โลรโปวดหลงขึ้นมาการมีสติก็คือเนี่ยการที่ทําให้กลับมาหาความเป็นปกติปกติก็คือความไม่ทุกนั่นแหละนี่คือภาวนาก็คือเพื่อเพื่อสิ่งนี้นะทาอย่างไรให้ใจไม่ทุกอันนี้เป็นของจริงนะของจริงที่สําคัญนะไม่ต้องพูดถึง ปริยัติมากมายก็ยังได้เพราะว่ามันเป็นของจริงที่สัมผัสได้นะสัมผัส ด, ดูที่ถ้าใจไม่ทุกข์ก็โอเคแล้วนะสัมผัสที่ร่างกายถ้าไม่ทุกข์นะก็โอเคละนะแต่ร่างกายบางทีมันก็ทุกข์ด้วยด้วยวัยด้วยโรคนะด้วยความตายมันก็อันนั้นเราเราแก้ไม่ได้เนาะแต่บางทีเราแก้ได้ถ้ามันเป็นความทุกข์เพราะว่า กิเมันครอบงํานะใช่ไหมพอเรามันโกรธมันหายใจไม่ค่อยอิ่มมันนอนไม่ค่อยหลับเนะี่ยมันฟุ้งซ่านใช่ไหมเนะี่ยเราก็แก้ได้กินก็ไม่ค่อยอยากจะกินเพราะมันโกรธอยู่นะเนี่ยนี่เราแก้ได้นะอันนี้คือสติปฐานนะที่ที่เรามาฝึกฝนมาเรียนรู้กันเนี่ยเราจะได้ทําที่ตรงนี้นะ เนี่ยเป็นการทำความเพียรทั้งนั้นนะเพียรเผาเิเรตนะเพียรสร้างสติรู้สึกตัวเนะีนะ่ยคือสิ่งที่เราต้องสร้างนะต้องหานะ่ะเหมือนหลวงพ่อท่านเดามาวานแะล้วหาฝาที่ปิดขวดน้ำให้มันเจอนะที่จริงจะเรียกว่าหาก็ได้นะแต่จริงเรียกว่ามันสิ่งที่หา ฝาขวดน้ํามันก็มีอยู่แล้วนะคําว่าสติมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวของเราก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีแต่ก่อนอย่างผมเองก็บางทีก็เคยหาหาจนปวดหัวเหมือนกันนหาอะไรนอคือความรู้สึกตัวอืมสติมันเป็นแบบไหนนอเนะีมันก็คอยไปเที่ยวหามันก็ <c oughs> บางทีบางคนอย่างผมเองก็อาจจะเป็นแบบ พอเราไปคิดแบบนั้นมันกลายเป็นวิกฤติจิตฉานะกลายเป็นความดังเดสงสัยนะมันก็เลยคิดหาคําตอบนะคิดบางทีก็คิดถามครูบาอาจารย์บางทีก็คิดไปอ่านหนังสือนะให้มันได้คําตอบหรือไปทีก็ไปคิดว่าพอปฏิบัติแล้วมีสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ใช่หรือเปล่าถูกรึเปล่านะไม่แน่ใจสงสัย บางทีพอเราคิดฐา น, ะนกลายเป็นเป็นความดังเล ส, ส่งใยเป็นความฟุ้งซ่านอีกแบบหนึ่งแต่นะลองเอาความสัมผัส ร, รู้เฉยๆนะเอาความรู้สึกตัวรู้นนเฉยๆนะบางทีหลงพ่อเทียนหลงพ่อเขียนมากจะพูดว่าให้รู้ซื่อๆนะรู้ลงไปซื่อที่กายที่ใจนั่นแหละนะนะ เมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาวางไว้ก่อนเกิดคำถามเมื่อไหร่นะหลวงพ่อเขียนมากจะบอกว่าวางไว้ก่อนบางทีหลวงพ่อมักจะพูดว่าปฏิบัติธรรมไม่มีคำถามนะมีแต่คำตอบนะคนที่ตอบได้นะี่ก็คือตัวเราเองนะประมาณว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเอ๊ ะ, อะสงสัยนีย่ไม่ใช่แล้วนะ แต่ถ้าปฏิบัติธรรมนั้วนะมันต้องอ้ออ้อคอืมันรู้ตัวเองนะมันรู้อเดินก็แค่รู้ว่าเดินที่จริงก็แค่ง่ายๆแบบนั้นนะนะกินก็แค่รู้นะแต่ไม่ใช่รู้เป็นคําพูดนะแต่รู้เป็นเป็นสิ่งที่สัมผัสรู้เนาะเป็นการสัมผัสนะเหมือนมีคนมาแตะตัวเราอะ่ะไม่ต้องคิด <laughs> ไม่ต้องคิดว่าเ อ, อะไร มันรู้สึกได้ใช่ไหมเหมือนมีลมพัดมากระทบตัวก็เหมือนกันก็ไม่ต้องคิดมันรู้สึกได้เลยใช่ั้มมันรู้สึกได้นะมันความรู้สึกตัวจริงๆก็คือความรู้สึกที่เรียกว่าปัสะจากคำพูดเนาะนะนะปัสะจากสมมุติไม่ต้องใช้สมมุติมาเกี่ยวข้องแค่รู้สึกอย่างที่มันเป็นนะมันเป็นอย่างไรก็แค่รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะ หรือเฉยๆเราก็เพียงแค่รับรู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ว่าจะร้อนจะหนาวเราก็รับรู้อย่างที่มันเป็นไม่ว่าจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนะเราก็แค่รับรู้อย่างที่มันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆก็คือการรู้เฉยๆนี่แหละนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะรู้ที่ในการที่ไม่ต้องพยายามที่จะไปแทรกแซงนะ สนใหญ่นะักปฏิบัติธรรมที่ทําผิดคือประมาณว่ามันไม่ดีนะอยากจะทําให้มันดีหรือว่าเราคิดว่าแบบนี้มันถูกเราก็ทําให้มันเป็นอย่างที่เราคิดนะประมาณว่าถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมานะต้องดับความโกรธแต่ที่จริงโดยสติแล้วแค่รู้ทันความโกรธความโกรธก็ดับนะหรือมันเกิดความอยากนะ บางทีเราก็จะเกิดความคิดอยากจะไปตับความอยากนะมันก็เป็นความอยากแบบหนึ่งนะนะอยากที่จะไม่อยากเหมือนนะ่ะแต่ถ้าเราแค่รู้เฉยๆความความอยากมันก็มันก็ตกไปนะมันตกไปเราแค่เปลี่ยนนะจากตอนที่มันขาดสตินะเป็นการมีสติหรือถ้าเราจะนะพิจารณาเนานะตัวอย่างเช่นสมมติ แม่เหล็กนะแม่เหล็กมันมีสองสองขั้วนะขั้วบวกกับขั้วรลบนะแม่เหล็กเนี่ยถ้าแบบขั้วบวกกับขั้วรลบมันมันอยู่ใกล้กันมันหันหน้าเข้าหากันมันก็จะดูดกันเข้ามาใช่ไหมมันดูดกันเหมือนกับเหมือนกับกิเดกเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่มีสตินะมันก็ดูดกันเข้ามานะเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นทุกข์นะแต่พอถ้าเรากลับนะพลิกนะมันมีสติเนย มันก็ออกจากกาันเองของมันแยกจากมันเองของมันน ะ, ะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเรามีสตินะเราก็แค่เปลี่ยนนะแม่เด็กด้านหนึ่งของเรานะเปลี่ยนจากการขาดสตินะเป็นการมีสตินะมันก็จะทําให้กิเลสมันมันห่างออกไปมันเด้งออกไปของมันเองทําแค่นี้แหละนะทําเพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆนะ เกิดความสงสัยเมื่อไหร่อ่ะก็ไม่ได้ผิดนะก็วางไว้ก่อนเก <c oughs> ิดกิเลสเมื่อไหร่อ่ะก็แค่รู้ทันไว้ก่อนหรือมันไม่เห็นนะ่ะแต่ภาวะของใจก็ไม่เป็นไรนะก็ดูกายไปก็ได้นะ่ะดูกายนะ่ะแต่ให้แต่ที่นี่พอดีก็จะเน้นย้ำเวลาตอนนักปฏิบัติก็ประมาณว่าให้รู้เป็นครั้งนะ่ะให้รู้เป็นทีละขณะนะ อย่าทำเร็วเกินไปอย่าทำแบบเหมือนเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องแบบลํมมากเกินไปนะบางทีมันจะกลายเป็นสมถะนะให้รู้เป็นครั้งนะรู้เคลื่อนฮะรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดนะเท่าที่มันรู้ได้นะแต่ทำให้มันเป็นจังหวะนะให้ความรู้มันรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็จบทีละครั้งนะรู้ใหม่ไปเรื่อยให้จิตมันรู้แบบ นะสดสดนะใหม่ๆนะที่ปัจจุบันปัจจุบันเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเป็นอดีตก็รู้ใหม่ที่ปัจจุบันนะเราทำได้เพียงแค่รู้นะลงปัจจุบันให้ให้มากที่สุดไ ม, ไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจก็ดีเนาะแต่ก็สิ่งที่สำคัญคือการนะต้องระวังการไม่เพ่งไม่จ้องเนาะนะไม่กดไม่ขม่มอารมณ์ ไม่กดไม่ขมกิเลสเนี่ยแหละ ค, คือคือสิ่งที่พยายามจะเน้นย้ำตรงนี้ที่ตรงนี้ก็เน้นเนี่ยนะครับเน้นการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ย น, นะเพราะว่าพวกเราก็มีหลวงพ่อเทียนเป็นครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อคำเขียนนะเป็นอาจารย์แล้วก็ที่ตรงนี้ก็ได้ได้อนิสงส์นะจากอาจารย์กาพลนะอีกหลายๆอย่างนะแล้วก็อาศัยทาง สุโกโตก็มามาช่วยกันนะเป็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมในแนวของหนวง่อเทียนนี่แหละนะพึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าปิดกั้นว่าวิธีอื่นจะมาไม่ได้ก็มาได้นะเป็นถ้าปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นะปฏิบัติตามแนวควาสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเหมือนเหมือนเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันนะเราก็ไม่ได้แยกนะไม่ได้แยกแบ่งลัทธินิกายนะที่นี่ก็ มีอย่างพระจีนมีคนจีนนะบางคนก็เป็นพระมหายานนะบางคนก็เป็นพระในสายทิเบตวบนนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันได้นะถ้าอยู่กันอย่างมีสตินะเป็นคนคนเดียวกันอไปได้วยกันได้นะแต่ถ้าแต่ละคนยึดติดในทิฏฐิในมานะในอัตตาตัวตนของด้วยกันนะบาทีพระไทยได้วยกันก็ทะเลาะ ก, กันใช่ไหยอยู่วัดเดียวกันนะ ความเห็นต่างกันนะทิฏฐิต่างกันยึดตัวตนของตัวเองเป็นหลักนะไม่ฟังคนอื่นมันก็มีปัญหานะอยู่ด้วยกันก็มีปัญหามางทีพูดภาษาเดียวกันมีปัญหามากก่าพูดคนละภาษานะแต่ที่จริงก็มีเอาภาษาธรรมนะเอาภาษาใจเอาความมีสติอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้บนะันทีที่นี้ก็จะเน้นพูดน้อย พนดน้อยอยู่กันก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเทสครับหลวงพ่อนะเทสบ้างตอนมีโย ม, มาปฏิบัตินะในตอนเช้านะที่เหลือก็เน้นปฏิบัติกันเองนะปฏิบัติกันเองตอนเย็นตอนค่าส่วนใหญ่ถ้าอยู่กันไม่มากก็เปิดรนะ ล, ลึกถึงหลวงพ่อเทียนบ้างหลวงพ่อคำเขียนบ้างนะให้เป็นอารมณ์ในการปฏิบัตินะในตอนเย็นนะตอนตอนค่ําก็ หลายท่านก็แย่โยมหลายคนก็ชอบมาปฏิบัติที่ตรงนี้เนาะมันโล่งดีนะบางทีสถานที่มันก็ช่วยมันสัปปะยะนะบางทีบางคนปฏิบัติแล้วมองไปไกลๆนะเห็นเขื่อนแล้วมันก็ผ่อนคลายดนะิหรือปฏิบัติแล้วโอ้มีลมมามากระทบนะมันก็รู้สึกร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายดีนะ ศาลาตอนนี้ก็เป็นที่เหมาะมากในการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จำใจต้องมาทำที่ตรงนี้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้อากาศที่อื่นมันร้อนใชนะ่ทางจมกลมก็สาเอาสแสดมามุงก็ก็สู้แดดไม่ค่อยไหวฮะนะนอกจากตอนตอนเช้าหรือตอนเย็นเย็นก็พอได้แต่ตอนกลางวันก็ก็ร้อนหน่อยนะหรือที่พับนะ สุตนะิหรือที่พระคงโยมก็อาจะร้อนหน่อยเนาะช่วงหน้านี้นะแต่ช่วงหน้าหนาว น, นี้ก็หนาวมากเลยอ่นะหนาวมากไม่ใช่หนาวแต่อากาศนะหนาวลมด้วยนะลมแรงนะหน้าฝนนี้จะพอดีนะหน้าฝนจะพอดีนะถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็สาดตร์เข้ามาในในศาลาบ้างนะนะนั่นก็เป็นสถานที่ก็ ขอต้อนรับเนาะนักปฏิบัติธรรมทุกท่านเนาะที่มาร่วมกันทำวัดเช้าในวันนี้หรือว่าญัดโยมนะหรือพระคุณเจ้าก็นิมนต์เลยนะครับมาวันไหนก็ได้นะอพระเจ้าของสถานที่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็มาอยู่ได้เลยนะครับก็แจ้งทางแจ้งผ่านทางสุโกโตก็ได้หรือแจ้งผ่านทางชมรมเพื่อนคุณธรรมก็ได้แนละ้วก็ มาใช้สถานที่ในการภาวนากันเพราะว่าก็อยากจะช่วยนะให้เจตนาลมของอาจารย์กำพลท่านได้สําเร็จนะที่ได้เห็นนักปฏิบัติธรรมมาใช้สถานที่ตรงนี้นะในหลายครั้งอาจารย์กำพลก็จะพูดว่าเหมือนฝากนะผมขอฝากไลเฮาขอฝากอาสมวิทยธรรมเนี่ยเป็นให้นักปฏิบัติธรรมมาใช้ประโยชน์นะได้มาปฏิบัติธรรมนะต่อ ก็ฝากต่อนะแต่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอ่ะของพวกนี้มันบังคับกันไม่ได้นะคาดหวังก็ไม่ได้ก็เพียงแค่พูดแค่ฝากเฉยๆนะก็ตามที่ความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมจริงๆที่เข้าใจก็ทําที่ไหนก็ได้เนะอืมทําที่วัดนี้ที่สำนักนั้นนะหรือไปที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งหรอกนะเพราะว่า ที่ปฏิบัติจริงๆนะวัดจริงๆก็คือกายกับใจของเราเนี่ยแหละกายวาจาใจของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นวัดนะมันเป็นตัปรยตสถานอยู่ที่ตัวเรานะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะไม่อยู่ที่สถานที่แต่สถานที่หรือบุคคลก็เป็นเป็นส่วนประกอบนะหรือบางทีถ้าเราได้บุคคลที่เป็นกนณมิตรที่ถูกที่ต้องที่ดีกันก็ ก็นําให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ก็ก็จริงจริงเนาะนะแต่ก็คือต้องอาศัยว่าเราก็ต้องเอาคำสอนเอาตัวอย่างนั้นมาไว้ในใจของเราด้วยนะใช่ไหมครัมถ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์แต่เราไม่ประพฤติตามครูบาอาจารย์เราก็เรียกว่าเหมือนเราก็ไม่ได้เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ใช่ไมะอืบแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ท่านเราเอาตัวอย่างที่เราได้เห็น เอาสิ่งที่เราได้ฟังนะเอามากระทำนะในกายนะในใจของเราเนี่ยเราก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาท่านพูดนะถ้าถ้าไม่ทําตามคําสอนนะอย่าอย่าเรียกว่าเป็นอาจารย์ mm hmm. นะแต่ถ้าเราทําตามคําสอนของท่านเนี่ยถึงจะเรียกว่าเออนี่อาจารย์ของเราได้เต็มปาก น, ะนั้นเราเป็น สิิของพระพุทธเจ้านะทสิทธิ์ของทางสายของพ่อเทียนนะถ้าเรายังไม่ทําตามคําสอนของท่านนะก็อาจจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ยังไม่เต็มปากนักนะแต่จริงคําสอนจริงๆนะก็คือเรื่องการทําความรู้สึกตัวนะเรื่องการมีสตินะเรื่องนะความไม่ทุกเนี่ยเป็นคําสอนของจริงนะแล้วก็มีก่อนอาจารย์กพลจะ จะเสียประมาณสองวันตอนนั้นพอพูดได้บ้างแต่สองวันสุดท้ายก่อนจะเสียเนะี่ยแทบพูดไม่รู้เรื่องนะประมาณก่อนสองวันสุดท้ายนะท่านพอพูดได้ก็เหมือนใครพูดเป็นเชิงธรรมะนะคุณเอก็ถามอาจารย์ว่าประมาณาคุณเอ๋ก็ดูแลอาจารย์มามาเยอะแล้วนะอยากจะแคแค่ล้ายว่าอาจารย์ จะให้อะไรคือเอบ้างประมาณนะั้นนะเออยากจะขอบรรลุธรรมได้ไหมอะไรประมาณนะั้นขออา น, นิสงส์นี้เพื่อการบรรลุธรรมได้หรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นอันนี้ก็พูดจับใจความมันนะประโยคอาจจะไม่ไม่ชัดเจนขนาดนั้นอาจารย์กระพลก็เลยพูดว่าบรรลุธรรมมันเป็นเพียงแค่คำพูดแต่ของจริงคือความไม่ทุกข์นั้นก็ประมาณว่า ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการมนรลุธรรมดอกบรุธรรมเป็นคำพูดนะเป็นภาษาแต่ความไม่ทุกข์เป็นสิ่งที่ของจริงกว่านะมันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงกว่านะมาว่าก็มันเป็นเหมือนประชิมโอวาทของอาจารย์กพลที่ที่ชัดเจนนะอืมสิ่งที่สําคัญคือทําอย่างไรให้ไม่ทุกขนะ์กายใจไม่ทุกขนะ์นั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญกว่านะมันสัมผัสได้จริงนะ สัมผัสได้จริงยิ่งกว่านะเนะี่ยสัมผัสลงที่กายที่ใจของเราอย่างไรให้มันไม่ทุกข์ให้มันมีสตินะคือของจริงนะเหมือนกับหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนไม่ได้พูดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่าท่านไปนิพพานหรือเปล่านะท่านไม่ค่อยพูดใช่ไหมครับแต่ท่านจะพูดจะพูดแต่เรื่องความไม่ทุกขนะ์ทําอย่างไรสิ่งจะไม่ทุกข์เลยนะท่านก็พูดเน้นแต่เรื่องความไม่ทุกข์เนี่ยแหละนะ ไม่ต้องไปว่าได้ขันนั้นคั้นนี้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วนะว่าแต่ไม่ทุกข์ก็พอแล้ว <c oughs> หรือผมอยู่กับหลวงพ่อกำเขียนหลายปีก็หลวงพ่อกำเขียนก็แต่สอนแค่เรื่องการรู้สึกตัวการมีสตินะ่นะน่ะทําใจอย่างไรให้มันไม่ทุกข์นะ่ะก็พอลนะน่ะไม่ต้องเน้นเรื่องปริยัติอนะ่ะภาคปฏิบัติก็ แค่สอนให้เป็นกำลังใจนะให้เกิดการปฏิบัติถ้าปฏิบัติเยอะๆนะทำถูกต้องตามแนวทางเจิสติแล้วนะมรรคผลมันก็เกิดแน่นอนนะนะเกิดแน่นอนแต่จริงก็ไม่ต้องรอเป็นพระอรหันนะที่จริงพอเรามีสติเมื่อ น, นั้นมันก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลในขนาดนั้นใช่มมรรคก็คือเนี่ยนะนะมีสติผลก็คือไม่ทุกข์ คำว่าไม่ทุกข์ก็คือนิพพานะนะที่จริงมรรคผลนิพพานก็เกิดพร้อมกันขนาดเดียวนะในตอนนี้เท่านั้นนะเราจะไปรอเกิดมรรคผลนิพพานในอนาคตตการก็มันก็ไกลกันไปนะแต่ถ้าเราเอาตอนนี้เอาความไม่ทุกข์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นะตอนนี้เลยเนี่ยดีที่สุดนะอย่าไปรอตอนความไม่ทุกข์ในตอนไหนอย่าไปรอนะ เข้าถึงนิพพานตอนไหนต้องเอาตอนนี้เท่านั้นนะแต่ต้องเอาแบบไม่ใช่เอาด้วยความอยากนะมายถึงว่าเอาแบบมันโกรธตอนนี้อ่ะก็รู้ทันนะมันก็วางตอนนี้นะมันคิดไปอยากนะคิดสงสัยอ่ะก็รู้ทันมันก็วางความสงสัยวางความอยากในตอนนี้หรือเราเดินเรายกมือมันเกรง็งมันเมื่อยมันเครียดนะ เรารู้ทันความเกรงความเมื่อยความเครียดนะแล้วก็ทำให้มันสบายขึ้นทำผ่อนคลายขึ้นกายมันก็ไม่ทุกข์ในตอนนี้ละนะนะหายใจเข้ามันแน่นเกินไปมันตั้งใจเกินไปอ่ะลดความตั้งใจลดความอ่าแน่นตรง น, นั้นมามันก็พอดีพอดีนะมันก็สบายตอนนี้เรากินข้าวนะบางทีก็รีบกินเกินไปนะ รีบอยากจะไปเดินจงกรมบางทีก็ไม่ใช่บางทีกินข้าวก็กินอย่างมีสตินะก็ได้ใช่อืมปวดฉี่อยากจะไปเข้าห้องน้ำํำนะคิดถึงแต่ห้องน้ําคิดถึงแต่จะฉี่อ่ะก็ใจก็ขาดสติใช่เราเดินไปก็ต้องมีสติในการเดินใช่เปิดประตูปิดประตูนั่งลงไปก็มีสติแต่ละครั้งเนะี่ยใจเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนะี่ยมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าใจเราไปอดีต ใจเราไปอนาคตเนี่ยแหละเมื่อนั้นแหะมันจะทุกเนาะก็น่ะ ก, ะก็ที่นี้ก็เน้นตรงนี้นะก็เป็นโอกาสดีที่ถ้าหลายท่านไม่ตั้งใจมาเพื่อการภาวนาก็ขอนิมนต์ขอเชิญนะปฏิบัติกันเต็มที่เลยนะครับนะบนศาลานี้ก็ดีหรือว่าทางจงกรมนี้ก็ดีนะถือว่าเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ยบูชาเนาะต่อ ผมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์กำพลน่ะที่ท่านละสังขารร่างกายนะแต่ไม่ได้น่ะละจากโลกนี้ไปหรอกนะเพราะผมเลยต้อตมาก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ยังอยู่ในใจของเราเนาะอท่านไม่ได้ตายไปจากที่ไหนตายเพียงแค่หมดลมหายใจหมดคําพูดนะแต่ การกระทาที่เราได้ได้เห็นนะหรือสิ่งที่เราได้ยินนะคาสอนของท่านมันก็ยังอยู่ในใจของเราเนาะยิ่งถ้าเราทำตามสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่กับเรานะเราไปอยู่ที่อื่นนะเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าก็อยู่กับครูบาอาจารย์นะ ถ้าเราปฏิบัติรมเราจะรู้สึกเหมือนเราจะไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายแต่รู้สึกอบอุ่นใจอยู่เสมอนะไม่กลัวไม่วันวหวมั่นคงจิตใจนะจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าเนี่ยตวนนี้เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากก็ให้พวกเราตั้งใจทำความเพียรเนานะนะไม่มีอะไรที่เราจะตอบแทนครูบาอาจารย์ได้มากกว่าเอาคำสอนของท่านไปทำ <c oughs> ครูบาอาจารย์ประมาณว่าเชื่อว่าทุกรูปนะ ไมไ่ต้องการอามิดบูชาจากจากลูกศิษ์นะแต่ท่านต้องการให้ลูกศิษ์เอาไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาคุณของท่านแล้วก็ปฏิบัติเพื่อตัวของลูกศิษย์เองนั่นแหละนะครูบาอาจารย์ไม่ได้วังอะไรไปจากลูกศิษ์ไปมากกว่าธรรมะที่บอกไปตามสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รู้นะเราเองถ้าจะเป็นลูกศิษย์นะ ก็ต้องทำตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนนะถึงจะเรียกว่าเป็นลุกศิษย์ที่ที่ดีเนาะก็ชานี้ก็ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะยังช่วยเก็บหัสีสุดมุนรวมเดี๋ยวจะลุกขึ้นเดินชมกลุ่มสัก สำหรับพระเจ้าพุทเจ้าของเราที่ไม่ปฏิบัติก็อยู่ปฏิบัติด้วยกันเก็บสีเพ็จะได้จกลมก็ขอรู้ธนาในคำชี้นี่น ะ, ะคําบอกต่างๆของพระจานทร์นุษย์บอกถึงวิธีการการอยู่ที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรนะถ้ารู้สีขึ้นมา สำหรับวันสงบสิกา์ที่ปฏิบัติที่นี่เดี๋ยวเรากราบพระแล้วก็จะเดินจงกลุ่มรอบนี้จะเดินชมกลุมแบบรอบบางเดินชมกลุ่มแบบแตามเวลาจนถึงนน่นจนถึ ง, ถงจ็ดโมงพอเจ็ดโมงปับ๊บเราก็จะลงไปโดยจงกลุมตามทางจมกลุมที่มีอยู่จนถึงเวลารับอาหารแล้ ว, ลวค่อยนี้กันไปนะตอนนี้เราเก็บหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง เป็นตัวพอมนกกลับคุณเจ้าเตรียมบาทไปหนึ่บาทพวกเราลูกขึ้นยืนนะลูกขึ้นยืนพอจะพาเดินสักรอบของ ของเอาไว้ที่ใกล้ๆเสาะนะเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้ด้วยของเก็บไว้ใกล้ๆเสาตอนแรกเราจะเดินอ้อมก่อนนะเดินผ่อนคลายรอบตรงนี้ขึ้น